โสตาปาิยังคะข้อที่สจาคะแปลว่าการสละหรือสละให้หมายถึงการให้ที่แท้จริงซึ่งเป็นการสละออกไปสละทั้งข้างนอกและข้างในข้างนอกสละวัตถุข้างในสละกิเลสความโลภไม่มีความรู้สึกตรณีหวงแหนไม่ปรารถนาผลได้ตอบแทน เพราะการให้ของอริยาสาวกนั้นท่านกระทําด้วยจิตที่สูงพ้นระดับความต้องการผลตอบแทนใดๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลาบยศสุขหรือสวรรค์ก็ตามลักษณะด้านจาคะของอริยาสาวกเท่าที่ท่านบรรยายไว้เช่นคำว่าชอบให้ชอบบริจาคที่เรียกว่าทานนัสังวิภาครัตแปลว่า ยินดีในการให้การแจกแสดงอยู่ในตัวถึงการมีความสุขสบายใจในการกระทำเช่นนั้นและการที่ไม่ได้กระทำเพราะมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนแก่ตนอริยสาวกจึงไม่มีปัญหาในเรื่องที่จะมาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความเศร้าโศกผิดหวังในภายหลังว่าทำแล้วไม่ได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ เพราะในเมื่อความโลภไม่ครอบงำใจไม่หมายใจคิดจะเอาไม่มีความหวงแหนปิดบังอยู่ข้างในแล้วใจก็เปิดกว้างออกความเข้าใจผู้อื่นก็เกิดขึ้นมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาโดยง่ายจิตใจก็โน้มน้อมไปเองในทางที่จะให้มุ่งแต่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เขาได้รับประโยชน์แก้ปัญหาให้เขาทาให้เขามีความสุข มีความยินดีพอใจสุขใจในการให้การสละและการแบ่งปันนั้นๆถ้าจะคิดในแง่ผลตอบแทนการให้นั่นแหละเป็นการได้อยู่ในตัวเราอริยส า, าวกมีชันทะในกุศลธรรมคือต้องการทำความดีหรือต้องการให้มีสิ่งที่ดีงามด้วยการให้นั้นอริยส า, าวก ก็เป็นอันได้กระทาสิ่งที่ดีงามและความดีงามก็ได้เกิดมีขึ้นอริยสาวกมีเมตตาปรารถนาให้โลกมีความสุขและที่ได้ให้นั้นก็ด้วยอำนาจเมตตากรุณาด้วยการให้นั้นโลกก็มีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วนอกจากนั้นอริยสาวก ยังได้ความมีใจบริสุทธิ์มีจิตใจผ่องใสความมีกิเลสลดน้อยลงไปการได้ฝึกฝนอบรมตนความก้าวหน้าในธรรมความสุขความอิ่มใจจากสภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเหล่านั้นและความเข้าใกล้จุดหมายของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ผึงอ้างวั จ, จนะของพระสารีบุตรที่ว่า บัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปทิสุขคือสุขเจือกิเลสคือโลกิยาสุขหรือสุขในไตรภย่ยอมไม่ให้ทานเพื่อพบใหม่แต่บัณฑิตเหล่านั้นย่อมให้ทานเพื่อกำจัด ก, กิเลสเพื่อไม่ก่อพบต่อไปจากขุตการนิกายมหานิเทศในที่นี้ ปลายอุปธิวากิเลสและดูเรื่องเหตุที่คนให้ทานในบันทึกพิเศษท้ายบทนอกจากการให้การแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์โดยทั่วไปแล้วจาระคของอริยาสาวกยังแสดงออกอีกด้านหนึ่งหรืออีกขั้นหนึ่งคือสามารถเฉลี่ยสิ่งของต่างๆกับคนที่มีศีลมีกมัลยาณธรรม คือคนประพฤติ ช, ชอบและมีความดีงามทั้งหลายได้เหมือนดังว่ายอมให้ทรัพย์สมบัติของตนเป็นของสาธารณะสำหรับคนมีศีลธรรมจะร่วมใช้ร่วมบริโภคได้ทั้งหมดหรือว่าในสังคมของคนมีศีลธรรมแต่ละคนยินดีสมัครใจให้ทรัพย์สินของตนเป็นของกลางใช้สอยบริโภคร่วมกันได้ อันหนึ่งในฐานะที่อริยาสาวกเป็นสัตบุุษย่อมให้ทานอย่างสัตบุรุษลักษณะ ส, สำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านเน้นไว้เกี่ยวกับการให้อย่างสัตบุรุษได้แก่การให้โดยเคารพคือให้ด้วยความตั้งใจจริงให้ความสำคัญแก่ผู้รับแก่สิ่งของที่ให้และแก่การให้นั้นไม่ว่าผู้รับจะตกอยู่ในสภาพอย่างใดต่ำต้อยด้อยเพียงไร ก็ไม่ดูถูกเยียดยามไม่แสดงอาการดังว่าจะทิ้งเสียหรือหน้านิ้วคิ้วขมวดรำคาญแต่มีเมตตากรุณาให้ด้วยความเต็มใจมุ่งให้เขาได้รับประโยชน์ซึ่งตรงกับลักษณะด้านจาคะคของอริยส า, าวกว่าอยาจจะโยคะแปลว่าเป็นผู้ควรแก่การขอคือหน้าตาต้อนรับยินดีจะให้ หรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่าใส่ใจคำร้องขอการให้อย่างสัตว์บุรุษเรียกว่าสัพุริสถานกำหนดอาการและคุณสมบัติต่างๆของผู้ให้ที่นอกเหนือออกไปจากการคำหนึ่งถึงความต้องการของผู้รับท่านแสดงไว้หลายหมวดเช่นในมัชฌิมานิกายอุปริปันธาต อังคุตระนิกายปัญจการนิบาทและอังคุตระนิกายนวการนิบาทแสดงไว้หมวดหนึ่งมี5คือ 1. ให้โดยเคารพ 2. ให้โดยอ่อนน้อม 3. ให้ด้วยมือของตน 4. ให้มีใช่ดั่งทิ้งคว้างในข้อนี้บังแห่งเป็นให้ของบริสุทธ หรือให้ของไม่เป็นเดนและข้อที่ห้าให้โดยเข้าใจถึงผลที่จะตามมาคืออาคัมมะนะทิฏิกะอธกถาว่าเห็นว่ามีผลบ้างเชื่อกรรมและผลกรรมบ้างอีกหมวดหนึ่งมีห้ามีมาในอังคุตรนิกายปัญจการนิบาทคือหนึ่ง ให้ด้วยศรัทธา 2. ให้โดยเคารพ 3. ให้โดยการอันควรคือถูกเวลาสให้โดยจิตใจไม่มีแง่งอนคือใจโปร่งโล่งมีจาคะเต็มที่ไม่มีเงื่อนงำนี้แปลาตามอัธกถาบางท่านแปลว่าโดยมีจิตอนุเคราะห์และข้อที่ห้า ให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่นเช่นไม่ให้เพื่อยกตนข่มผู้อื่นอีกหมวดหนึ่งมีแปดจากอังคุตรานิกายอัตการนิบาทคือหนึ่งให้ของสะอาดไอให้ของประณีต 3. ไอให้ถูกเวลา 4. ให้ของสมควร 5. ให้ด้วยวิจารณญาณ 6. ให้เนืองเนือง 7. เมื่อให้จิตผ่องใสและข้อที่8ให้แล้วเบิกบานใจ